ขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องเวทาวิตักษาูตรคือพระสูตร์ที่ว่าด้วยทรงแยกวิตกออกเป็นสองส่วนในตอนแรกที่ได้พูดมาก็คือเรื่องของอกุศลวิตก ได้แก่กามวิตกคือตรึกนึกด้วยอํานาจของความคร่พยาบาทวิตกคือตรึกนึกด้วยอานาจของความมาคาดพยาบาทและวิงสาวิตกตรึกนึกด้วยความคิดในทางเบียดเบียนซึ่งก็หมายความว่าเป็นการพูดระดับความคิดแต่ถ้าพวงนี้ลดออกมาถึงจุดหนึ่งก็คือกลุ้มรุงใจ แล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็คือละเมิดสีที่ทรงเห็นโทษแล้วก็แสดงว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นและเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายวันทหากว่าผู้นี้เกิดเนี่ยปัญญาจะดับแต่ในขณะเดียวกันถ้าปัญญาเกิดผู้นี้มันจะดับในโอกาสต่อไปก็ทรงแสดง ถึงสภาพกิจที่มีลักษณะชักเยอ่อกันอยู่วาจิจุใจมันมันเน้นหนักไปในเรื่องใดคือถ้าเราตรึกนึกถึงฝ่ายที่เป็นกุศลมากจิตใจเราก็จะโน้มเอียงไปในทางกุศลแล้วพวกอกุศลก็จะมีกำลังมีทิพลครอบงมใจเราน้อยลง พัหลัการในการดำรงชีวิตเนี่ยท่านจึงปรับจริงๆมาปรับสภาพมาตั้งแต่ก่อนจะเกิดเผื่อถ้าเรามองดูตอนที่พระนางสิมามายาทรงพระคันะ่นพระบุติสัตว์ทรงปรับสภาพพระไทยของหลงไม่ไม่ไม่มีการเกี่ยวข้องกับทางเพศ ร, รักษาศีแปแล้วก็ทำพระทัยให้บริสุทธิ์แม้แต่ก่อนพระโพธิสัตว์อยอุบัติก็ทรงเลือกถึงห้าเรื่องด้วยกันเลือกทางทวีปหลือทางอายุของขนสัตว์เลือทางประเทศหลือทางสกุลแล้ว ก, ก็เลือกถึงพระชนี ในขณะที่เกิดมาเราก็ปรับสภาพแวดล้อมยังแนวของมงคลสูตรแล้วขึ้นอยู่กับแสดงอะไรก่อนก็ก็ไม่ค่อยแปลกอะไรนะฮะคือในที่บางแห่งเนี่ยเราทรงแสดงถึงการอยู่ในประเทศที่สมควรก่อนแต่ในมงคลสูตรก็ส่งแสดงการไม่ครบผ่านไปก่อน พถ้าเราเริ่มต้นดีเขาผ่านเนี่ยจยเจนว่าการมิตกพยาบาทมิตกวิงสาวิตกเนี่จะมากเลยสุดพลังของกุศลนี่จะหย่อนกำลังจิตใจก็ขาดภูมิทันทานในการกากับกคุกคุมจิตวันนี้ในสุดก็จะออกมาไปรุกอาชญาการรมต่างๆ ที่คุณไทยบอกว่าคขาผ่านผ่านพาไปหาผิดคขา บ, บรณัณฑิตบันดิตพ า, าไปหาผลและนั้มงคลสูงมงคลลสูงทรงแสดงทั้งปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันแล้วก็ปัจจัยเสริมจากอาดีตแล้วก็ควา ม, มเมติาทางจิตในชีวิตปัจจุบันของคนปังการไม่ครบคนผ่านการครบบรณัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาเนี่ย มันแสดงถึงปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะแนกแยกแยะคนได้ดังนจึงการเป็นพันเป็นบันณฑิตของคนเหล่านั้นก็คือ ข, ข, ขึ้นขึ้นอยู่กับความคิดของเขาหมายความว่าถ้าคิดในทํานององกุกสนุตกมากการกระทาของเขาก็เป็นทุจริตทางกายทางวิชาทั้ทงใจมากแต่เ้า ค, คิดในแนวกุกสนมาก การกระทําของเขาจะอยู่ในสุจริตเขาก็เป็นบัณฑิตเป็นบุนคคลที่ควรบูชาในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องอยู่ประเทศอันสมควรหมายความเป็นสถานที่ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติพัฒนาจิตแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปบนเส้นทางของการศึกษาและการปฏิบัติได้มาก แต่ว่าการได้ในชาติปจุบันเนี่ยมันมันต้องอาศัยบุญในอดีตเขาเรียกปุเพกะตะปุญีตาจะต้องทำบุญไว้ในอดีตเพราะกรรมเป็นตัวจำแนกหมดเลยจำแนกพบจำแนกชาติจำแนกรูปร่างจำแนกพื้นฐานเลยตแรงต่างแลวในปัจจุบันเนี่ยจิตใจของเธอก็จะโน้มเอียงไปในทางที่จะ ดำเนินบนเส้นทางของบัณฑิตที่สง่งใช้คาว่าอัตตสมาเป็นอิธิเพรานเราเห็นว่ามงคลมันก็เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นจากการศึกษาสดับต่อฟังมากการฉลาดในศินละปะอย่างใดอย่างหนึ่งการมีวินัยที่ศึกษาสำเร็จดีแล้วจนถึงกับสร้างลักษณะนิสัยก็กลายเป็นคนที่พูดว่าจะที่เป็นสุภาษิต ผลตรงนี้ที่จริง ก, ก็เรื่องเดียวกันนะแต่ว่าทรงแสดงถึงระดับของความคิดที่ทรงเรียกวิวต ก, กรับสั่งแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกตใดๆมากเธอก็จะมีมใจน้อมน้อมไปในข้างวิตดันั้นถ้าภิกษุยังตึกตรอง ถึงการมไม่ตกเธอก็ละทิ uh ้งเนตธรามวิตุกเราลองดูง่ายๆนะสมมุติว่าเราเอาในชีวิตประจาวันนี่แหละวิจิตเราน้มยอียงไปในทางไหนแล้วบางครั้งบางคราวมันก็ดึงเราเข้าไปอยู่ตามบาตามผับตามแหล่งเรื่องรสต่างๆเอแสดงว่าวันบันนี้เธอจะมีแต่กามไม่ตกเยอะแล้วน แล้วคําแล้วควรจะอยู่บ้านกับครอ บ, บ, บ, บครัวก็อยู่ไม่ได้ เ, เพราะว่าความโน้มเอียงทางจิตมันหนักไปในทางนั้นแล้วคนเหล่านี้ที่จิงหาคําตอบอะไรให้แก่ตัวเองไม่ได้ครับแต่พรานทรัพย์สินเงินทองพรานเวลาพรานสุขภาพตัวเองไปอยู่ในทํากลางอากาศชีพไม่บริสุทธิ์แต่ว่าจิตเขานอกเยียงไปทางนั้นแนหะ เรียกอาเซวนาปัจจัยคือการช่องเสพจนคุ้นน่ะมันมีความพอใจในเรื่องหล่านั้นพความคิดจะออกจากกามมันมันออกยากแต่ยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคธกาลานในตอนต้นๆ้นแล้วก็ตื่นนึกในด้านกา ม, มิตกมาตื่นนึกดูว่าหมู่บ้านของท่านคือนารันทาเนี่ยแล้วกรุงราชครที่จริงก็ไม่กใกล้อะไร แล้วท่านไปดูรถมาด้วยเสลียงไปทุกเย็นไปดูการแสดงมารศุ บ, บนภูเขาทุกเย็นแล้วเรานึกดูกว่ากว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยเวลาเท่าไหร่แดีวตอนนั้นสติปัญญายังไม่เกิดอ่ะท่านก็ไปเถี่ยวไปเถี่ยวมาอย่างนี้เองแต่พอสติปัญญามันเกิดเหตุผลมันเกิดมันเริ่มคิด คือคได้มองเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไร้าสาระทั้งทวงท่านเองแล้วก็คนแสดงเพราะว่าทั้งตัวท่านแล้วคนสแสดงในสุดจะต้อ ง, งตายความกลปลื้มตัวเองด้วยความรื่นเริงสนุกสนานอย่างเนี้ยมันมันไร้าสาระแล้วก็จริงๆเนี่ยาทาให้สุขภาพจิตมันตกเพราะาสังคมมนุษย์เนี่ยอเซลน่าปจาัจจัยคือการก็อผ้าการช่องเสพการสมาคม มีที่ผลสำคัญมากอย่างที่เคยพูดเรื่องโพดชงนะครับโพดชงเจ็ดประการนนีะ่แต่และข้อมันจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาสนับสนุนเยอะแล้วทุกข้อเนี่ยจะมีคำว่าการยานามิตรจะมีคำว่าการเจรจากันด้วยวะชาที่ไพเราะ ก็หมายความว่าถ้าเรื่องคุยเนี่ยมันกระตุ้นกิเลสกิเลสมันก็ฟูวว่าปัญหาเวลานีท้ที่พี่่ประรบกันมากคือมาเองมองลึกๆเนี่ยเราเป็นห่วงโยช น, เนยเราสังเกตทิศทางความคิดความอ่านเขาโยชนมันก็คิดค่อนข้างแปลก ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าส่วนหนึ่งหรืออย่าลืมว่าปัญหาใกล้ๆกับปัญห า, าที่ภาคใต้เนี่ยคนที่ป่วนอยู่เนี่ยไม่เท่าไรหรอกโคทิ่เคลื่อนไหวป่วนอยูย mm hmm. ่ก็แสดงว่าเธอได้คบหาสมาคมได้ยินได้ฟังได้ไปสาบานได้ไปอะไ ร, ต, ะไรต่างๆไว้ด้วยกับวิธีเดเีเขาเ็าเล่าไห้ฟังผู้เขาเล่าเองนะะ แล้วก็แสดงว่าจริงๆก็คือมันเกิดขึ้นจากการเคาผ่าดเลินสุดไอ้ความโนมเอียงทางใจเธอก็ถูกปลุกเร้าไปเรื่อ ย, เ, อยเดี๋ยวเรามองย้อนกลับไปในสมัยที่ประเทศเรามีคอมมิวนิสต์เยอะเนี่ยคือประโยคที่เน้นย้ำอยู่เรื่อยนี่ฆ่ามันฆ้ามมันฆ่ามันฆ้ามันฆ้ามั น, มนเน้นย้ยําไ่เรื่อยแล้วก็ก็ไม่ได้กลัวบาปกรรมอะไร แล้วก็ถือว่าการฆ่าเป็นวีรกรรมปกติฆ่าตำรวจก็ถือเป็นวีรกรรมตำรวจทหารที่ฆ่าผู้ก่อการร้ายก็กลายเป็นวีรกรรมแล้วก็เป็นร่องรอยของความรุนแรงและความร้าวฉานภายในชาติพันธุ์เมืองเรืจะยู้ว่าเด็กรุ่นนั้นนะ่ะที่พ่อแม่ถูกฆ่าตายนั้นเยอะตั้งสองข่ายเธอมีความรู้สึกมุงคิดต่อสังคมอย่างไหเราก็ไม่รู้ โดยที่นั้นจะอยู่ภาในใจของพุทธิ์เพราะในสุดมันก็จะออกมาในแนววิจุกถ้าวิจดุกใ น, ในทางไหนล่ะทีนี้ถ้าหากว่าไปวิจุกไปตรึกนึกถึงเรื่องของพยาบาทมากก็จะละทิ้งอภพยาบาตคือการไม่พยาบาทหมายความความพยาบาทเดี๋ยวมันจะมองมุมเดียวคือมุมแ ง, ง่ร้ายไม่รู้แหละ เธอคือคนไม่เดียเธอพูดอย่างไงฉันก็หาว่าแก้ตัวทุกเขียะเล .ast มันมันมันกลายเป็นอุปทานคือเป็นเวทนาเป็นตรหาเป็นอุปทานแต่คนที่รับฟังข้อมูลขาวสารเหล่านี้มันก็เกิดเห็นตามก็กลายเป็นยินดียินได้นะส่วนมากก็ยินได้พร้อมปลุกระดมพอยินได้ก็เกิดพวกเวทนา พอเวทนาเกิดตัณหาต้องการจะทำลายล้างต้องการจะเกียนค่าเป็นวิภวะตัณหาต้องการจะเป็นซะเองก็งเป็นภาวะตัณหาหนาค่าหนัค่ามันกลายเป็นอุปท า, านอยู่ภายในจิตเลยไม่รู้อะไรแล้วพอเราถามเข้าเนี่ยมันให้คำตอบไม่ได้ว่าเขาผิดอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาผิด แล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วคุณสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ก็พิสูจน์ไม่ได้แต่เชื่อเนาะแล้วใจนั้นมันจะเชื่อเรื่องความเลวร้ายของคนอื่นนี่ง่ายแต่เชื่อความดีของบุคคลอื่นนี่จะยากเพราะตัวอย่างที่เราชัดเจนมากคือพูดเมื่อไรก็ถูกเมื่อนั้นเน่ยโดยเฉพาะกับพระเนี่ยอจะดูง่ายมากคือหมายความว่าถ้าพระทําไมด่ดีขึ้นมาสักองค์นี่กันด่ากราดบุต พระเดี๋ยวนี้เร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้ว่าไปเลยเรามาสังเกตเรื่องนี้มาห้าสิบกว่าปีนะฮะไม่ใช่ว่าสังเกตมาน้อยๆก็อชอบกุลนะแต่พอพระทําดีขึ้นมาเนี่ยจะดีอยู่องค์เดียวกันเองแต่ฉัยกตัวอย่างว่าอาจารย์คูนเนี่ยแล้วท่านก็ดังอยู่เฉพาะอาจารคูนถามญาติโยมที่ว่าไปวัดบันไร่ของอาจารย์คูนเนี่ยรู้จักพระรูปอื่นไหม นอกจากแกงคูดไม่รู้จักเขาแต่ทีนี้ถ้าถ้าราพุทธรูปอย่เช่นว่าหลวงพ่อสุธรหลวงพ่อวัดไร้ขิงหลวงพ่อวัดเขาตะคราวหลวงพ่อวัดบันแหมรมหลวงพ่อวัดบางพรีใหญ่เนี่ยเอถามว่าคุณรู้จักสมภารหรอเชื่ออะไรไม่รู้จักเห็นไหมว่าตรงนั้นเขาก็มุ่งไปทีป่เราพุทธรูปแต่เขาไม่สนใจเลย ดังนั้นตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่าวนมนุษย์มีวิหิงสาอยู่ภายในใจมันจะรู้สึกสะใจเมื่อพูดถึงความเลวร้ายคนอื่นแต่ว่าอาจจะไม่พอใจที่ได้รับการยกย่องชื่นชมของคนอื่นคนอื่นได้รับการยกย่องชื่นชมและชมตัวเองชอบนะฮะแต่ชมคนอื่นยังไม่ชอบจยงเหตการณ์ในสมัยพุทธกาลนี้มีเยอะ บางคราวงคราวผัวเมียทะเลาะกันเพราะเหตุว่านับถือศาสนาต่างกันอย่างยกตัวอย่างครอบครัวของนางธนัญชิ น, ชนีพราหมณีผัวนับถือพราหมณ์นับถือทักบทเปลื้อยโวยเิลกแต่ปัญญานับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นปะโสดาบบันเลยแล้วก็ดางก็อะไรก็กจะภาวนาพุโทโธตลอด อาจจะไม่ใช่อาจจะ น, นโมตสัสสะตลอดผลประกาบ น, นโมตัสสะก่อนหน้าพวกพราหมณ์ที่สามีเชิดมารับประทานอาหารที่บ้านเนี่ยเขาฟังไม่ได้อะเขาโกรธมากเลยแล้วเขาดา่าด่าเธอด้วยแล้วก็ด่าสามีด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารเขาโกรธกลับบ้านไปเลย แล้วก็เป็นเรื่องแปลกคนพวกนี้ยังมีคนนับถือเราก็อยู่มันได้ทุกๆวันนี่ก็บางครั้งบางคราวเนี่ยเราเห็นว่าเออพระองค์นิทาลอ่ะท่านดุนะดูแล้วนับถือทำไมอ่ะดูก็สแสดงว่าท่านภายแพ้ตัวกิเลสก็สงสารท่านดีกว่าเพราะฉะลักษณะเหล่านี้มัน อาเซวนปัจจัยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ความคิดเรื่องศูนย์ส่งเสริมพระพุทธ ศ, ศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นความฝันนะฮะเป็นความฝันที่คือเราเห็นว่าตลอดระยะเวลา22ปีเนี่ยเราไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้เพราะประการตํางการคือไม่มีสถานที่ที่เป็นของศูนย์เอง หรือไปขอจัดที่นั้นที่นี่เ็ขาก็ขัดค้องไปทั้งหมดก็มีปัญหา่เพราะว่าในสังคมเราเนี่ยมันเป็นราเป็นข้ซีเยอะมากแล้วก็เป็นนิกายเป็นภาคเป็นราตระยุงไปหมดนั่นคืออะไรคือจิตมันไปมองไปสะสมไปสะสมคือพรวัวปั้นเถมัก็เรียด นแเราก็เล่าเรื่องเรื่องความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อมาเองตั้งแต่บวชมาเนี่ยก็รู้สึกดีอย่างหนึ่งว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยสอนเรื่องความไม่ดีของนิกายไหนเราเองเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบ่งแยกอะไรกับใครเรามองพระก็คือพระแต่ท่านเอง พระพุรูปก็คือพระพุทธรู ป, ค, ป, รรปคือมาสามารถกราบพระพุทธรูปที่สร้างใหม่ๆกับกราบพระอย่างหลวงพ่อยินราชธิเนศีเนี่ยด้วยความรู้สึกเหมือนกันไม่รู้สึกแตกต่างอะไรเพราะว่าท่านก็เป็นเพียงพุทธปฏิมา ก, ก็เป็นที่ตั้งของการนึกถึงพระพุทธคุณของพระเจ้าแต่นั้นเองแล้วก็เราบองกลับไปครับเราะว่าอาศัยวณัปัจจัยของเรา คื เ, เราศึกษาเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเรวการฝึกปรืออบรมกันมาในลักษณะอย่า ง, งนี้แล้วอย่างที่เหมาเจ๋อไลัยมากุนราชเตียไหลเทียมาเคยเป็นทักศึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์จนถึงเป็นรองอธิการบดีเนี่ยคือเราเรียนรวมกันนะทั้ง ร, รมยุทธทงมานิกายแล้วก็มายานด้วยนะแล้วก็พระต่างชาติ เราไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างอะไรก็อยู่กันมาอย่างนั้นกาเรียนก็นเรียบร้อยเป็นครูบาอาจารย์เป็นสิทธิ์กันเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันอยู่ที่สภาพแวดลอ้อมเราเติบโตมาอย่างนั้นเราจึงไม่มีความคิดในแนวที่จะแบ่งแยกอะไรกับใครรู้สึกสงสารความคิดในแนวแบ่งแยก บกว่าก็ยิงกิเลสขนาดนี้ท่านยังละไม่ได้ท่านจะไปพูดนิพพานทำ้มพูดระดับนิวรณ์ทำอะไรเรานะเพราะจริงๆระดับนี้ที่จริงมันเป็นศีลนะเป็นนิสีสังวรคือเมื่อเกิดดีไดีได้ส้นมองอีกฝ่ายหนึ่งยกเประอย่างเงี้ยความรู้สึกคีอฝังลึกอยู่ในสังคมไทย อย่างเรื่องไทยรบพม่าพม่า ร, ร, า ร, รบภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์มันเรียนรู้ไว้เป็ น, ปนครูแต่ไม่จะเรียนรู้แล้วก็เพิ่มความอาฆาตแค้นที่จะโต้อตอบทำลายลางกันเพราะคนเดียวเคาทะเลาะ ก, กันยุคนั้นเนี่ยก็ตายหมดแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องรับมรดกบาปอะไรจากใคร ความคิดตรงนี้ใล้ๆจะง่ายนะ่แต่ทายากสุดๆเลยแก้ไขได้ยากมากลักษณะคนสังคมไทยเนี่ยคือถ้าเราพูดโดยไม่เกรงใจเนี่ยเวลานี้ยังมีร่องรอยอยู่เยอะมากแบ่งเป็นภาคแล้วก็ดูหมิ่นกันแล้วก็กลุ่มกันนะยังสมัยก่อนเนี่ยสมัยมาเป็นเด็กๆ กาภาคใต้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเป็นพวกแขกแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยก็เป็นลาวฝัเ่เหนือเป็นแกวตอนกลางเนี่ยเป็นไทยแต่ว่าสุพรรณนี่ยเหนือแล้วนะฮะขนาดสุพรรณเนี่เหนือแล้วสุพรรณก็ถือมาตั้งแต่โบราณว่าเจ้านายจะไม่เข้าไปที่สุพรรณก็เพิ่งเข้าคนแรกก็คือกรมยาธมรงอันนี้คือแสด ง, งความคิดเรืองนี้แค่ๆมันหมดไป แล้วยิ่งมันน้อยหมดะเดี๋ยวนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราจะเห็นเลยว่ามีการเล่นพักเล่นพวกมีการขีดกันกันมีการลิเสยากันมีการแข่งดีกันก็ไม่รู้จะว่ายไงแต่เราจะเห็นว่านี่คือวิตกเพราะว่าจิตกันึกไปในทางทานะน่ะ น, นึกไปในทางไม่ชอบมองไปในในมิตินั้นใจก็ทัก็ น, น้มเอียงไปอ่างนั้นมันก็คล้ายๆกระด้ํา น, นั น้ำหนักตาช่างเนี่ยคือถ้าระวางน้ำหนักเฉพาะด้านหนึ่งเนี่ยอีด้านหนึ่งมันมันมันมันจะเบาด้านหนึ่งมันจะหนักลงไปงในการจะปรับให้มันเสมอเนี่ยตาช่างปรับง่ายนะแต่ใจคนเนี่ยปรับยากเพราะความคิดในแนวตรงนี้จึงต้องหาทางที่จะประสานแก้ไข คือถ้าเรามองดูทางการเมืองนะมองดูทางการเมืองถ้าเราไม่ดูระดับของพรรคที่ว่าเขาแค่ๆกระตั้งตัวเป็นศัตรูที่จะต้องพิฆาตเข่นฆ่ายอาสันกันไปข้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละพรรคเขาก็มีคนหลายภารคหรือคณะรัฐมนตรีของเราในแต่ละชุดเนี่ยไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ตามก็มีคนอยู่ทุกภาค แล้วก็แสดงว่าก็ก้าหน้าไปเยอะนะแต่ว่ามันบินเรื่องผลประโยชน์ที่ว่าจัดสรรเพื่อมันลงตัวแต่เจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันขนาดไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงถือว่าในตัวความคิดนี่จะเป็นเรื่องใหญ่เลรับสั่งแสดงว่า มาก็ทําอยู่แต่พยาบาทวิจกให้มากขึ้นเพราะพอทิ้งอัปยาบาวคือทิ้งความไม่ไม่พยายามบ่าวมันก็ใจมันก็หนักในทางพยายามบ่าวแต่จิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทเพราะอะไรเพราะมันคิดไปเรื่องนั้นนะคิดไปเรื่องอาคาตพยาบาทคือยังนึกถึงหนังจีนนะหนังจีนหรือว่าหนังสือจีนกำลังภายในเนี่ย มานมาแล้วสักสามสิบกว่าปีเนี่ยเคยอ่านเคยอ่านก็หลายเรื่อง น, นนะเราก็สังเกตที่ทางความคิดเออความคิดก็แปลกคือมันเป็นลักษณะโครงสร้างที่แปลกก็คือว่ า, าเด็กนจะข่าคนแก่แต่มันก็เริ่มต้น้วยปลูกฝังความเครียดแทนครอบครัวอาจจะถูก ฆ่าถูกต้นถูกอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ว่าสรุปว่าถูกประทุษรายแล้วพ่อแม่เนี่ก่อนจะตายก็สั่งเสียลูกให้แก้แค้นให้พอ่อเด็กกินเล็กๆอะ่ะและ้วแกเติบโตมาด้วยหน้าตาเคร่งเครียดฝึกวิท ย, ยุทธ์เน้นแต่จะฆ่าอย่างเดียวแล้ววันสุดท้ายก็แก่ยังหนุ่มอนะ่ะไอ้คนที่เป็นศัตรูกับพ่อมองแก่แล้วถึงจะไล่ล่ า, ลาคนแก่ต่อแล้วเสร็จแล้วคนแก่ั้นงมีจะถูกฆ่านะะ ในขณะนั้นแหละตัวเองก็เริ่มแก่แล้วคนีนข้าคนอื่นก็อายุก็เริ่มแก่ลแล้วลูกคนต่อไปก็แก้แค้งแก้แค้งก็อย่างเงี้ยคนจีนเนี่ยก็เป็นระบบการคิดผิดแปลกเราน้ดูทั้งฐานความคิดของคนจีน คือฤกษ์ะตันยููนี่เขาสูงนะฮะทีนพอคงจื้อก็สูนสอนมาเยอะแล้วก็พุดก็สอนมาเยอะแล้วแนวเนี้ยมันออกมาได้ไงแล้วก็ดูแล้วก็ก็ก็ัก้ำซาก ค, ค, คือสรุปว่ามันหนักไปในทางพยาบาทวิโตะแล้วก็จิตใจก็เลยไม่ได้คิดไปในทางอภิญญาบาัตมันคิดด้านเดียวมองมุมเดียว ขอ่ความคิดที่จะเมตตาจะให้แอภัยมันไม่มีพลังอ่ะอาพยาบาล ท, ที่จริงก็คือเมตตานะแต่ว่าเมตตาที่ยังไม่มีพลังเพราะว่าพลังจริงๆต้องขจะพยาบาลต้องขจัดพยาบาทได้แล้วนั้นก็รักสั่งว่าถ้าภิกษุยิ่งอ่ยิ่งตรึกนึกถึงวิหิงสาวิตกมาก เธอก็ละทิ้งอาเงสาหมายความคิดในตอเนเบียดเบียนมากก็จะไม่ได้คิดในทรรนองที่จะไม่เบียดเบียนเพราะกรุณาจิตมันไม่เกิดแล้วก็สะสมจิตสันดาน ล, ล้วก็กระบวนการหนิตมันจะเดินอย่างเงี้ยมันเดินไปว่าอย า, า, ายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็ไปยึดติดที่อุปาทานมั น, นกลายเป็นเป็นภพคือภาวะความเป็นขึ้นภายในจิต ก็บางคับมาข่าวเราดูเราดูปรวัติศาสตร์ว่าในบางส่วนของโลกเนี่ยคนเลานี้จองร่างจอง่านกันมานานด้วยกนนานตั้งแต่ถึงห้า0 0พันปะีอย่างแถวตะวันออกกลางเนี่ยตั้งแต่ดาวิดนะฮะตั้งแต่ดาวิดตั้งแต่อับราฮิมมาแล้วก็แล้วก็อุตรุษกันอยู่เงี้ยทุกวันก็ยั ง, ย, งยังเป็นอย่ังนอยู เป็นสภาวะธรรมซึ่งหมายความว่าถ้าสภาพของจิตใจซึ่ทซับในลักษณะอย่างนี้ประสาทสัมผัสสัมผัสในอารมณ์อย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งเนความผิดมันจะกลายเป็นความถูกเพราะว่ากระแสมันเยอะตัวนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเราจะเห็นว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของเด็กสมัยใหม่เนี่ย มันตะเลิดไปเลยนะฮะตะเลิดไปเลยเพราะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่พยายามปกปิดอวัยวะแต่ถามมานานไหมก็ประมาณสัก6กเจ็ดสิบปีไปเนี่ยเพราะถ้าเรามองไปก่อนน้า น, นั้นเนี่ยแต่คนไทยก็นิยมเปลืออกเหมือนกันคนเท่าคนแก่ก็แะดีก็มีผ้าขามาาา้าอภัสบาผืนหนึ่ง เสือ้อร็ไม่ค่อยสมกันนะเรามานี้พึดบาหลีก็เออบางทีก็เหมือนกันสมัยก่อนนะไอันนะอนี้ก็คือคือคล้ายๆกับอะไรล่ะมันย้อนกลับมันย้อนกลับที่ม้แรงกระตุ้นสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มากแต่ว่าปัจจุบันอแรงกระตุ้นมันเยอะออกมาเยอะจากสื่อต่างๆเนไม่รู้อะไรบ้างเพราะเราจะเห็นว่าความคิดของคนส่วนหนึ่งค่อนข้างมาก คือจะหนักไปในกาบวิตกพยาบาทวิตกวิงสาววิตกแล้วในสุดพอพอผู้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าความคิดมันมันปรับมันจูนก็หากันได้ ก, กลุ่มก็กลุ่มก็กลายเป็นกลุ่มมวลชนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะรุนแรงมากรุนแรงน้อยก็แล้วแต่นะฮะเราก็คงอีกเรี่กงอะไรไม่ได้นะฮะ แต่จากแนวจนระดับจุดหนึ่งก็กลายเป็นผู้ก่อการรายเนหะ็นไหมไม่ก็มองด้วยความอาฆาตพยาบาทคือจิตไม่ได้คิดในแนวไม่พยาบาทแต่คิดเป็นแนวพยาบาทแนวเบียดเบียนและอย่าลืมนะว่าไอแนวการต้นข้าจริงทรัพย์เนี่ยมันมันมั น, มนการต้นข้าเนี่ยมันเป็นกลายกลายเป็นความชอบธรรมระดับกองทัพเหมือนกองทัพจยาตาบุก ก็ค่าคนมาในที่ต่างๆแล้วที่จริงก็พ้นทรัพย์เขาด้วยซึ่งในคำพีรูบายาตก็ เ, เป็นวาทะของปราช์ชื่ออากิมอมาคยัมรู้สึกจากของเปอร์เซียนะคสะด็จในกรมพระรู้สึกว่านราชิีพเลยนะ จะทรงทรงแปลไว้บทหนึ่งคืออ่านยังไม่จบแต่ว่าบทานั้นเลยชอบมากเอาเป็นโลกัศท์ที่ที่เยี่ยมมากๆท่านบอกว่าหมาโจรเทือก้นฆ่าหมาโจดาอุบาทราทันปรนปราปป้องมาราชญาติพ่อหนุ่มจนมหาราชละพ่อสมชาตราชเดชก้องเกียรติกันั้นขันไหม พติการอย่างเดียวกันนะฮะคือร่นค้าด้วยกันแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นวิเดชนฝ่ายหนึ่งเป็นทรชนนี่นคือคือสังคมไม่ใช่ธรรมะแล้วมันเป็นเรื่องสังคมคือตราบใดที่สังคมยังมีความมึดคิดในแนวนี้อยู่เนี่ยโลกก็ไปลดความรุนแรงได้ยากเพราะอย่าลืมว่าทางกามวิตร ก, ก็ดีพยาบาทวิตร ก, ก็ดีบิงสาวิตร ก, ก็ดีเนี่ย มันมุ่งการตอบสนองความต้องการของตัวเองมุ่งจะระบายความเครียดแค้นกับตัวเองซึ่งก็มาความต้องทำลายคนอื่นทีนี้การมุ่งตอบสนองความต้องการตัวเองมันก็พลาผพลานทำลายธรรมชาติต่างๆซึ่งอย่างเมื่อเกิดอะไระทั้งอุทกภัยนะฮะทั้งอุทกภัยทั้งน้ำทั้งหลมทั้งฝนเนี่ยนะ ที่เกิดขึ้นที่อุตรดิตถ์ก็มาที่แพร่มาสุขโขทยัยมาที่ลำปางมาที่อะไรไลายแห่งคือสึ่งเนงที่น่าสุกคิดก็คือว่ามันมีซุ้งลงมาด้วยก็แสแดงก็เหมือนกับพิปูนที่ชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อหลายปีที่แล้วหมายความว่าไงหมายความมาัมีการตัดไม้ทำลายป่าขามโมยตัดไม้ทำลายป่า แล้วทำไมคนนั้นตัดะจะอยู่ในแวดวงตรงนั้นเนี่ยก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ลั ก, ลกตัดไม้ทลายป่าอย่างแถวแพร่เนี่ยไม้สักไปหายไปเยอะไ ป, ไปที่วัดหนึ่งเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้สักล้วนๆเนี่ยก็มาทำเป็นเพดานเยอะมากเลยเลยก็ถามท่านว่าเอามาจากไหนในนุน่ถไป หร่อมเราก็เสียดายต้นไม้สักเรี้เห็นี้ไหมว่าจริงๆมันมาจากการมิตกพยาบาทที่ตกวิงญาณตกและการก็อโลภะโทสะโมหะนั่นแหละลการความโน้มเอียงทางจิตจึงถือว่าเป็นเบื้องใหญ่เพราะว่าจิตมันง่วงไปในด้านใดด้านหนึ่งเรถดึงกลับมายากมั น, นคล้ายๆกับรถแสลบตกถนนแล้วก็จะมุนกลับนี่ยากมาก ส่วนมากแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุหละเพราะนั้ธรรมะมันก็กลับไปที่เดิม mm hmm. นะที่ทรงสแสดงว่าเรานั้นเมื่อเป็นประโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตวรู้เป็นผู้มีเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วแหละอยู่ mm hmm. และนี้ก็คือหลักนะั้นนะหลักอาตาปีสัมปชัญโนสติมาวิทยะโลเกพิจดมนณสังที่ทรงสแสดงไว้ตอนต้นของมหาเศรษฐฐานสตร ธรรมะเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องค อ, อามรีมากสมาส่วนเหตุเนี่ยจะอยู่ในเรื่องอริยมรรคอยู่เรื่อยเราเห็นว่าตรงนี้ก็ที่จริงก็คืออะไรคือ ส, มสัมมาสังกปะกับมิจฉาสังกปะมันก็ชักเขยื้กันอยู่ทีนี้ถ้ามันทวงไปด้านไหนมากเนี่ยส่วนมากมันมันคนรอบรอบข้างเนี่ยจะมีส่วน บางครั้งบางคราวสามีพัญญาเนี่ยคือทะเลาะ ก, กันเพราะเสียงนกเสียงการอบข้างเนี่ยบางทีก็ข่าวสังคมหน้าซีกนักสื่ อ, อพิมพ์นั้นหมายความไงคือจิตท่นท่นน้อมไปแล้วก็เชื่อไปได้บวกเข้ามาจิตมันเลยก็หักไปทางพยาบาทในความคิดในตำนองนี่เออเคยอยู่ร่วมกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุข ก, กันมาแล้วก็มีปัญหาจะเปิดกระเพาะบ้านแตกแล้วมันไม่คิดจะไปหายเลย เพราะว่าจิตมันได้เชื้อซึ่งเขามีอยู่ก่อนเชื้อกิเลสเนี่ยเขาก็มีอยู่ก่อนที่จริงเชื่อธรรมะ ก, ก็มีอยู่ก่อนนะครแต่ว่าเมื่อเราดับ ด, ดับเชื้อกิเลสมากคล้ายๆกับภูมิรั้นทานโรคก็เชื้อโรคเนี่ยเมื่อเท่าเมื่อเรารับเชื้อโรคมากเนี่ยภูมรั้นทานโรคมันก็อ่อนลองแต่ถึงจุดหนึ่งก็ไม่สามารถจะประครับประคองร่างกายไปได้จิตใจเราก็ปืวยกัน มันก็ทรงแสดงไม่ว่ า, าภิกษุทั้งหลายเหมือนในสารทักการคือเดือนท้ายแห่งปีคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่คับขั้งโดยเข้ากลา้าอยู่หมายความวาเราจูงโคไปในนาที่เข้ากล้ากำลังเจริญเติบโตเนี่ย เขาต้องตีต้นโคทั้งหลายจากที่นั้นๆกั้นไว้ห้ามไวเขานั้นเพราะอะไรเพราะคนเลี้ยงโคนะ่ยมองเห็นการฆ่าการถูกจองจําการเสียทรัพย์การถูกตีเตียนเพราะอะไรเพราะัวไปกินเา้าของของคนอื่นเขาอ่ะอันตรายอันตรายเนี่ยมันไม่อยู่ที่โคอะ่ะอันตรายมันจะเจอที่เจ้าของโคเพราะว่าอาจจะถูกฆ่าก็ได้ กุหลิ้งโคเนี่ยตัวเองอาจจะถูกข่าก็ได้ถูจกจองจำก็ได้ต้องการเสียทรัพย์ก็ได้ถูกกีดเตียงก็ได้เพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุชนใดที่สุทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แลเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลแธรรมทั้งหลายเล้นอนิสงส์การออกจากกามอันเป็นฝ่ายของความผ่องแผ้วของกุศลทั้งหลาย นี่คือประเด็นะเราจะเห็นว่าการที่ประโพธิสัตว์จนถึงก็เสด็จออกผนนดอย่างที่ยกเป็นตัวอย่างบ่อยนะยคือพระองค์ทรงชัดเจนถึงโทษ ข, ของการออกจากการชัดเจนพระอังกฤษไทยของพระองค์มันก็เบี่ยงไปอยู่ที่ในค้อมะสังกปะหรือในค้อมะวิตกคือซึกนึกในการที่จะออกจากการม เราเห็นว่าอุบายวิธีทั้งหมดของพระโพธิสัตว์ตลอดหกปีเนี่ยกหาวิธีให้สรุดออกจากกามก็ใช้ทุกวิธีสารพัดวิธีแล้วทั้งหมดก็คือมุ่งที่จะสลัดให้หลุดจากพัฒ น, นาการของกามทั้งหลโดยการใช้ความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายทางจิตยอย่างแรงกล้า แล้วก็ไม่ประมาทคือมีสติอยู่ตลอดระยะเวลาแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้เอาชนะพวกกาลวิตกพยาบารวิจตกวิญญสาวิตกให้ได้เพราะการการตรบใดที่คนไม่เห็นโทษเลยนะเห็นโทษของกิเลสเนี่ยเขาก็ยอมรับใช้กิเลสอย่างั้นแต่พอเห็นโทษปับ๊บมันก็พลิกจิตปุ๊บเดียวมันก็ไปได้ พูดมันง่ายนะฮะก็เียกพูดมันก็พลิกขวา ม, มือแต่จริงจงมันก็ยากทั้งหมดเป็นเรื่องที่ค่อยๆค่อยๆขัดเราค่อยๆสะสมความคิดอย่างยกตัวอย่างว่าเราอ่านหนังสือพิดนะฮะแต่ว่ายังนึกถึงถึงเมื่อเราสมัยเป็นเด็กๆนะเราฟังหนันตงตะลุงเราฟังมโนราโอ้คนเก่งมาก แต่ทุกวันมันก็ฟังไม่คอยได้มันซื้อพิมพ์เมื่อก่อนเนี่ยเราอ่านแล้วก็อ่านเขาทั้งมากแต่ปัจจุบันเราอ่านไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันกีรดเยอะจังชายลมเยอะจังเราสามารถจําจําจนแม่อะไรได้อะนะฮะจนแม่อะไรได้แยกแยอะไรได้แล้วก็ข้อมูลแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็มี คนบอกเขาพูดที่เราเห็นนะเออมันก้าวขัตินะเพราะโอกาสที่จะอ่านคอลัมน์แต่ละคอลัมน์จบเนี่ยกาหายากก็ะสุดมากก็เปิดเปิดเปิดไปก็เจาะเอาบางจุดแล้วก็ไม่เคยได้อ่านจริงๆจังอะไรเห็นว่าเราก็อ่านหลักธรรมะหลักเข้าใจวิโดกหลักหนังสือที่เป็นหลักๆนะฮะเราเน้นที่ตัวหลักๆในชีวิตเราข้างหน้ามันมีไม่มากแล้วแต่มันเล่นเรื่องร้สาระอย่างนี้มันก็เสียเวลา เพราะว่าเมื่อที่ใจมันฟุง้งเลยไม่สงบเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับธรรมะอยู่กับเนี่ยเรื่องเช่นบางโอกาสเราก็เทศธรรมะมาฟังอาจจะฟังทบทวนที่ตัวเองพูดออกไปหรือฟังคนอื่นอะไรก็แล้วแต่แต่ที่อีกแหละคือวา่าคนที่เราฟังมันก็ต้อง เรามีน้ำหนักพอสมควรแตถ้าหากว่าไม่มีน้ำหนักมันก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าดูก่อนภิกษุ ท, ทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียนเครื่องเผากิเลสทรงตนไปอยู่อย่างนี้ในขมาวิตกมันเกิดขึ้น เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าในขมะวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแหละก็แต่ว่าในขมะวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือโมโนสุจริตล ะ, ะเราเอนว่าอยู่ระดับโมโนสุจริตละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าออกมาในแนวของสุจริตเนี่ย มันจะต้องเบียดเบียนอย่างน้อยที่สุดก็ใจตัวเองคือธรรมนโนทุจริตแล้วก็เบียดเบียนใจตัวเองไป็อย่างน้อยนะทีนี้ถ้าออกมามันก็เบียดเบีย น, นคนอื่นตอนนี้เมื่อจิตมันอยู่โดยเนคขมะใน ข, ม, ม, ะในข ม, มะวิตกแล้วก็ให่ได้เบียดเบียนใครแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเบียดเบียนนะเราจะเห็นว่าเนี่อย่างอย่างอย่า ง, ง, งในกรณีของท่า น, นทันตปาณิสักยะ ทางพระพุทธมูลมาจากพระเทวทัตอ่ะมันมีความรู้สึกว่าพระโพธิสัตว์ไม่รับผิดชอบในตัวไม้สีคือผนางยโสธราพิมพาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เป็นไม้แล้วก็ตัวเองก็ไปบวชเถอะถ้าเราไม่บวชเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิน้องสาวพระเทวทัตก็จะเป็นจกักรพรรดินีจะเป็นใหญ่ เพราะงั้นก็ก็ก e> ็มีคนกล่าวหาพระพุทธเจ้าอยู่เยอะเหมือนกันแม้แต่เรื่องเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยจจะเห็นว่าเมื่อประมาณสักสี่สิบปีสี่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยสมัยนั้นคุณชายคืิรีบเขียนหนังสืออยู่ที่สยามรัฐมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพระเวสสันดรกันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็พันเอกบินก็ยังมีบทบาทเคลื่อนไหวอยู่ในสังคม แต่ว่าเราเห็นชัดเจนนะคือต้องการจะด่าพระพิสนนท์กระทบรัฐบาลอาเอาเงินจากพระคลังข้างที่ไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรอะไรแต่อะไรตอนั้ น, นส่วนใหญ่ก็มักจะจมที่จะุดปอรใช่มั่นนะั่นนั่นนั่นก็คือคือมวิธีการมองอวิธีการมองคือเราอยาให้คนมองเหมือนกันไม่ได้พระเจ้าเสด็จไปโปรดคนที่ปรุงข้ากิ่งข มีคนออกบวชรวมทั้งปุราณชนินด้วยนะฮะก็พันสองรอยห้าสิบรูปมีคนหันมานับถือศาสนาถึงแสนสองเป็นความดีมากแต่ว่าคนต่อต้านเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าคนเหล่านั้นเขารู้สึกว่าเขาเขาสูญเสียสูญเสียคนมันเป็นที่รักคือเมื่อจิตใจมันอยู่ระดับนั้นแล้วเนี่ย อาจะไหลไปตามกระแสของกามของพยาบาทของวิหิงสาเนี่ยมันมีน้อยแล้วทีนีออ้สมมติว่าสามีมีการมราคาจัดแต่ ว, ว่าพัญญาพัฒนาจิตไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวในทางนั้นออสามีก็รู้สึกไม่พอใจนะแต่เห็นว่าบางครัง้งบางคราวเนี่ยก็มีการฟ้องกล่าวหาพระกัน เมื่อพัญญาไปเจริญกับวัฐานด้วยจิตใจสงบแต่ก็หนักไปในทางธรรมะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทางเพศแล้วสามีก็ยังมีความต้องการอยู่เอ้าแลวก็หึงหวงจนถึงก็ออกหนังสือด่าทอเตอโคยก็ยุ่งยุ่งเนี้ยสังคมแต่ว่าเรามองในมุมของธรรมะคือเจตานาจะเบียดเบียนใครเนี่ยไม่มีแต่คนอื่นคิดว่าเบียดเบียนก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริง เพราะงั้นเราจะเห็นว่าเนคมะสังกปะก็คือการดำริที่เป็นกุศลการตึด น, นึกที่เป็นกุศลเป็นการลดความรุนแรงความเข้มข้นของกามสังกา ม, มาวิตกนะฮะความตึดนึกเดือหนาของความใกล้ต้องฟังเทาไหรเสียงทําจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรม ยิ่งมีได a ท่านทุกฝั่งตลาดดูดูกันสวัสดี